และสําหรับลูกศิษย์ของวัดป่าดอนหายโศกแล้วที่ช่างเข้าใจว่าบุคคลที่ทุกคนเคารพอย่างสูงนะคะเหมือนกับเป็นเป็นหลวงพ่อมือนก็เป็นพ่อก็คือหลวงพ่อดออรสะอาดท่านจ้าอาวาสเมื่อวานนี้วันเกิดท่านนะะี่ะก็ใช่วันที่4ีธันวาที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อดออรสะอาดเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ในช่วงนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ม า, าทํามิฏาจิตแสดงความสักการะ ตามแบบทั่วๆไปแล้วก็มากันหลายคนทีเดียวมากันเยอะเลยเต็มวัดไปหมดเลยละ่ะอค่ะนะคะก็เป็นการไปแสดงความกตัญญูเขาไปแสดงมุทิตาจิตอะไรอย่างเงี้ยมุทิตาจิตนะค ะ, ะมีหลายคนที่ไปแล้วดิฉันเองเนี่ยก็ได้แต่ฝากนะคะที่จะไปร่วมบุญค่ะค่ะนะคะ ค, คืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าบอกว่าเราทำจิตของเราให้ดี เรารักษาจิตของเรามีสติมีศีลเนี่ยก็ชื่อว่าบูชาแล้วค่ะนะนะคะวันนี้เราก็ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านจันเพย์บูลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาชี้ทำให้เราได้ปฏิบัติกันเพื่อถวายเพื่ออยู่หัวถวายพ่อทุกคนที่ทุกคนเคารพนะคะแล้วก็เดี๋ยวนคิดว่าวันนี้ใครที่เพิ่งรู้ว่าเป็นวันเกิดของหลวงพ่อดอรสะอาดเมื่อวานที่ผ่านมาก็สามารถที่จะทาดี ด้วยใจถวายท่านได้ด้วยนะคะวันนี้นมหการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะดิฉันเดพานค่ะท่านฟังที่ครบรอบคลั้นี้ก็คือรายการสันสเิีสมทนานะคะทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวสถานีวิทยุที่ท่านจะติดตามรับฟังรายการได้ตั้งแต่ตอนตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดิฉันสรนสเดียนามมพงศ์เปผู้ดำเนินรายการวันนี้เราก็ลากไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทวัสสวัสดีค่ะ